จเจรินสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายถึงเรื่องอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อย่างมีหนึ่งปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ 2. สัจจะความจริงใจคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้อย่างนั้นสามจากคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจสอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบทั้งสี่ข้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นอธิฐานธรรมคำว่าอธิฐานธรรมที่บอกว่าเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ก็คือว่าทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ในใจถ้าหากว่าให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ในใจแล้วจะประกอบกิจการอใดก็จะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นว่าปัญญาสัจจะฆาอุปสมะทั้งสีนี้เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตและเป็นที่ตั้งอาศัยของคุณอันยิ่ง คือมรรคผลนิพพานหรือถ้าจะเรียกโดยโวหารอธิษฐานเรียกโดยโวหารว่าอธิษฐานธรรมในข้อแรกที่บอกว่าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้นั้นได้แก่สิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องรู้ธรรมดาวิชาการต่างๆเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเรียนทางนั้น แต่ละสิ่งกว่าจะรู้ได้ก็ต้องใช้เวลานานเวลาของคนคนหนึ่งก็เพียงอายุของคนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะเรียนให้รู้ในวิชาในโลกทุกวิชาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาชั่วอายุคนหนึ่งหนึ่งนั้นก็เห็นถ้าจะมีไม่พอนะหรือว่าไม่มีพอที่จะให้รู้ดีได้เพราะฉะนั้นจึงจำกัดว่าให้รู้เฉพาะสิ่งที่ควรรู้ คือวิชาการในในหน้าที่ที่เป็นบรรพชิตว่ามีหน้าที่ในการศึกษาธุระสองอย่างคือคัน ธ, ธุระและวิปัสนาธุระเพราะฉะนั้นธุระสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่บรรพชิตจะต้องรู้นะจึงจะต้องรู้ถ้าหากว่าเราจะเรียนให้รู้หมดทุกแข น, แนงทุกศาสตร์นั้นก็เห็นท่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวิชาการทางโลกนั้นเราเรียนกันไม่รู้จักจบ นะไม่รู้จักจบแต่ว่าถ้าเรียนในทางธรรมโดยเฉพาะคือเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วเรามีโอกาสที่จะเรียนจบได้คือเรียนเรื่องในตัวของเรานะเรียนในตัวของเราเป็นการเรียนเพื่อเอาราคะโทสะโมหะออกไปเป็นการเรียนเพื่อเอากิเลสตัณหาออกไปอันนี้มีโอกาสที่จะหมดกิเลสตัณหาได้ แต่ว่าการเรียนวิชาทางโลกนั้นเป็นการเรียนเอาเข้ามาคือเรียนแล้วก็บางทีทําให้มีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นเรียนไปแล้วเราเอาวิชาอันนั้นแหละมาประกอบอาวุธยุธทธภพกรแล้วก็เอาอาวุธที่เราได้คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นประกอบขึ้นนั่นมาประหัดประหารกันดังเช่นทุกวันนี้เราจะเห็นว่าวิชาการทางโลกนั้นกําลังบางอย่างกําลังถูกต่อต้านมาก เช่นว่าพวกอาวุธนิวเคลียร์พวกปรมาณูต่างๆทุกวันนี้ทั่วโลกก็กำลังตะทวงเรียกร้องขอให้หยุดนะเพราะว่ามันทำลายล้างโลกมากนะล้างผลละโลกมากนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าวิชาการทางโลกบางอย่างนั้นแม้จะเป็นความก้าวหน้าในทางอาวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าหากว่าทำสำเร็จหรือว่าเอามาใช้มันก็เป็นการมาฆ่ากันเองมนล้างผลันกันเอง เป็นสิ่งที่น่าสยดสยองมากนะน่าสยดสยองมากทีนี้ก็จะพูดให้กว้างขวางออกไปอีกนิดหน่อยว่าที่บอกว่าธรรมชาติที่รู้จริงรู้ชัดยังทราบเหตุผลชั่วดีอย่างทุวนถีอย่างนี้แหละชื่อว่าปัญญานะชื่อว่าปัญญาเพราะคําคำว่าปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สองอย่างก็คือตัดนะตัดอะไรตัดกิเลส ต, ตัณหา นะตัดกิเลสตัณหาตัดภพตัดชาตินี่พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติว่าคนจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญานะไม่ใช่บริสุทธิ์ได้โดยอย่างอื่นออย่างอื่นนั้นอาจจะทําให้เราบริสุทธิ์ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่จะบริสุทธิ์ให้หมดจดจากกิเลสตัณหานั้นด้วยปัญญาทางนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะอาศัยปัญญา ปัญญาที่เรียกว่าอาริยสัจสี่นะคือเรียกว่าความจริงรู้ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนะคือหนึ่งรู้ทุกสองรู้เหตุให้เกิดทุกสามรู้ความดับทุก f o u รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละทั้งสี่นี่แหละทําให้พระพุทธองค์นั้นมีความบริสุทธิ์หมดโจดจากกิเลสตัณหาสิ้นภพสิ้นชาติโดยสิ้นเชิงจนถึงที่สุดก็คือว่า ถึงพระนิพพานนะถึงพระนิพพานไม่มีการเกิดการแก่การตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี้ก็คําว่าปัญญานี่จําแนกออกเป็นหลายอย่างนะก็มีมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าโลกียะปัญญาคือปัญญาของโลกีชนปัญญาของโลกีชนก็คือว่าปัญญาที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนกันมานะ ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมถึงอุดมศึกษาจนถึงท่านปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนี่แหละคือเป็นอโลกิยะปัญญาคือเป็นปัญญาในการในการสแสวงหาอาชีพนะแสวงหาอาชีพประกอบสำมาชีพนี่เขาเรียกว่าปัญญาสำหรับโลกิยาชนเช่นอย่างท่าน มีในการเรื่องเกษตรกรรมนะอุตสาหกรรมกหากรรมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโลกียะปัญญาทางนั้นหรือว่าจะเป็นช่า ง, งตัดผมช่างตัดเสื้ออะไรนี่ก็ถือว่าเป็นโลกียะปัญญาทางนั้นนะโลกียะปัญญาทางนั้นทีนี้ปัญญาประเภทที่สองเรียกว่าโลกุตรปัญญานะโลกุตระปัญญานี้ เป็นปัญญาเหนือเหนือโลกนะคือเป็นปัญญาเหนือโลกก็คือว่าเป็นปัญญาสําหรับพระอริยเจ้าผู้จะออกโลกออกนอกโลกไอ้คาว่าโลกในที่นี้ก็คือว่าต้องการที่จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องการทําลายพพทําลายชาตินี่เรียกว่าปัญญาเหนือโลกอ่านะเป็นปัญญาของพระอริยบุคคลพวกนี้ก็เรียกว่าปัญญารู้ตั้งแต่ รู้สังโยตสิบนะคือรู้อะไรสังโยตสิบก็คือว่ารู้กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเรองสัตว์นะไอ้กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเรืองสัตว์ก็ได้แก่นหนึ่งสัพไ ก, กยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนว่าตัวเรามีอะไรมีนี่เรียกว่าพวกโลกุตระปัญญานี้จะเห็นแจ้งนะเมื่อเห็นแจ้งแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น สองวิจิกิจฉ า, ารู้ความรู้ว่าความลังเลสงสัยนั้นมันทำให้ติดพบติดชาติแต่พระรเจ้ารู้แล้วไม่ติดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ในบุญในบาปนั้นไม่มีอีกแล้วข้อสามสีพรพตปรามาสรูปครัมสินพรพวกพระรเจ้าไม่ติดแล้วคือไม่ติดพวกเลิก นะพวกเลิกพวกยามพวกผีเจ้าเข้าทรงพวกสารพระภูมิต่างๆอะไรพวกนี้ในปัญญาระดับโลกุตรปัญญาแล้วไม่ติดนะพ้นแล้วเหนือแล้วไม่ต้องว่าเอะเวลาจะแต่งงานกันนี่จะต้องดูเลิกยามไหมนะเวลาพระจะบวชจะต้องดูเลิกยามไหมจะศึกจะต้องดูเลิกยามไหมจะปลูกบ้านจะต้องดูเลิกยามไหมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะ แต่ว่าที่มีนั้นอยู่ในระดับพวกโลกิยะปัญญาแต่ว่าโลกุตระปัญญาไม่มีนะไม่มีพ้นแล้วไม่ติดแล้วจะไปไหนพร้อมเมื่อไรไปทันทีจะสร้างสึกรามบ้านช่องมีเงินพร้อมแล้วสร้างได้ทันทีนะไม่ต้องดูเลิอกอยางนี่อันนี้เรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะ คือคนเราทุกคนนี่บางคนพอเกิดมาแล้วพอโตขึ้นรู้สึกว่ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดเกินเด็กทั้งปวงแต่ว่าบางคนนี่โตแล้วก็ยังไม่ฉลาดนี่แสดงว่าอผู้นั้นมีสัจจคติกปัญญาคือมันปัญญาเจตตัวมาตั้งแต่เกิดยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอพระองค์ได้ อประสูดออกมาก็สังเกตดูมีสติปัญญาเหนือกว่าบุคคลอื่นนะเปล่งวาจาได้นะพูดได้นี่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะนี่แล้วก็ถือว่าเป็นแสดงถึงความเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ในโลกนี้หรื อ, อยังหรื อ, อยังนางวิสาขานี่ก็ได้บรรลุโซดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบหรื อ, อยังภรรยาของในพรานกุกุตมิตรนี่ก็ ได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบนะหรือพวกสมมนเนนสังกิจจสมมนเนนนี่บัณฑิตสมมนเนนสาณุสัมมนเนนอะ่าเหล่านี้ก็ถือว่าได้บรารลุพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจขวบนี่แสดงว่าพวกนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีมาตั้งแต่พร้อมกับเกิดแล้วก็คือว่าพวกนี้ได้สร้างสมบัรมีมามากหลายชาตินะหลายชาติ ฉะนั้นเมื่อเวลาเกิดมาแล้วจึงได้มีสติปัญญาเหนือเด็กทั้งปวงเหนือคนทั้งปวงอย่างนี้เราเรียกว่าสัจชาติกปัญญาปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่อันดับสองก็คือว่าภาวนามายะปัญญานี่คือปัญญาประเภทที่สองก็คือว่าต้องสะสมมาทีหลังหมายถึงว่าเมื่อมาเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาเล่าเรียนศึกษาอีกมากน อีกมากบางครั้งก็มาใช้รู้ได้ไง่ายๆนะต้องเรียนอีกมากอืมเรียกว่าประเภทนี้ก็คือว่ามารู้เอาด้วยการเรียนศึกษามากๆนะเรียกว่าภาวนามายปญญาัปัญญาปัญญาสําเร็จจากการฟังภาวนามายัปัญญาที่ว่าสําเร็จมาจากการสะสมมาทีหลังอบรมบ่มนิสัยที่หลังด้วยการศึกษาเราเรียนก็ดีเจริญสมถะวิปัสสนาก็ดีอย่างนี้แหละทาให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันต่อสภาวะของสังขาร แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอย่างนี้ได้ชื่อว่าภาวนามยปัญญาทีนี้เมื่อเราทราบว่าปัญญามีทั้งโลกิยะปัญญาก็ดีโลกุตระปัญญาก็ดีจะชาติกับปัญญาก็ดีภาวนามายปัญญาก็ดีทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าทางเกิดของปัญญานะทางเกิดของปัญญาก็มีอีกสามทางนะคนเราที่จะมีปัญญานั้นนะ่ะจะต้องมีจะต้องเกิดมาโดยโดยหลักสามอย่างคือหนึ่ง สุตมยะปัญญานะปัญญาเกิดจากการฟังนี่ปัญญาเกิดจากการฟังอย่างที่เราได้ไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆนี่เราทําให้เรารู้ดีรู้ชอบนี่แหละคือเราได้ฟังนะฟังครูพูดนะฟังครูพูดอธิบายวิชาการต่างๆเรารู้นะรู้หมดเลยถ้าเราไม่ฟังเราก็ไม่รู้นะฉะนั้นพระเถระบางองค์เลยว่า ภาษาวกรพุทธะของพระพุทธองค์นั้นก็สำเร็จด้วยการฟังมีเยอะจึงจัดว่าเป็นหนึ่งอยู่ในประเภทพระพุทธเจ้าสี่ประเภทสุตตะสุตะ พ, พุทธเจ้าก็หมายถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการฟังนะอย่างนี้ก็มีแต่ทีนี้ขอให้เราฟังให้เป็นนะฟังให้เป็นฟังเป็นก็คือตั้งใจฟังฟังแล้วรู้เรื่องนะ เมื่อฟังแล้วรู้เรื่องก็สามารถบรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้นะเกิดความปิติเกิดความอิ่มใจอสามารถจะละพยศลดมาณะละความร้อนถอนความไข้ได้ความสุขละความทุกข์อย่างนี้แหละเรียกว่าฟังเป็นนะถ้าฟังไม่เป็นก็ยังว่าแหละฟังแล้วก็เกิดโลภโกรธโกรธลงขึ้นมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะทีนี้ประการที่สองก็จินตมายาปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดนะเกิดจากการคิดนอคิดอะไร ก็คือคิดในสิ่งที่เราได้ฟังมานั้นว่ามันมีเหตุมีผลอย่างไรมีดีมีชั่วอย่างไรนี่เราคิดอย่างนี้นะแล้วก็เอาแต่ในสิ่งที่ดีไปประการที่สามภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มนิสัยทีละเล็กละน้อยอ่านะค่อยๆผสมเอานะฟังจากคนโน้นบ้างฟังจากคนนี้บ้างฟังจากครูคนนั้นบ้างฟังจากครูคนโน้นบ้างนี่แล้วก็เอามาเก็บเอามาบันทึกไว้อ่านะเอามาจดจําไว้อย่างนี้แล้วทาให้เกิดปัญญาทางนั้นนะ นี่เป็นลักษณะของปัญญาทีนี้ที่บอกว่าปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้นั่นน่ะในสิ่งที่ควรรู้นั้นมันมีมากนะมีมากเยอะนะยากผิดจะกล่าวให้หมดสิ้นได้แต่เมื่อจะรวมลงกล่าวย่อๆแล้วก็สิ่งที่ควรรู้นั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสิ่งที่ควรรู้ก็คือรู้เหตุแห่งความเสื่อมนะสองรู้เหตุแห่งความเจริญนะ รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็หมายว่าอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเช่นอย่างอบายามุกเช่นว่าเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายเป็นนักเลงอสุราอเป็นนักเลงการพนันหรือคบมิจชั่วหรือความเกียดข้านี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งนั้นนี่อย่างนี้ต้องควรจะรู้อถ้าหากว่าเราไม่รู้เราไปหลงเข้าไปติดเข้าก็เกิดความหายชนะหมดเนื้อหมดตัวอาการที่สองก็คือเหตุแห่งความเจริญเช่นว่าการเรียนการศึกษานี่ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญ อเรามีศีลก็เป็นเหตุแห่งความเจริญนะเราปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุแห่งความเจริญหรือว่าเราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นนะะเจริญ ท, ทั้งนั้นพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ถือว่าสิ่งที่ควรรู้เมื่อบุคคลรู้แล้วจะทําให้การดําเนินชีวิตนั้นพ้นจากอุปสรรคนะพ้นจากอุปสรรคก็คือว่าได้บรรลุความสุขความสวัสดีอ่าต้อง ตามที่ตนปรารถนาได้นะทีนี้ก็มาในข้อที่สองที่บอกว่าสัจจความจริงใจคือประพืชสิ่งใดก็ให้ได้จริงๆนะให้ได้จริงๆคําว่าสัจจความจริงใจใ น, ในที่นี้ก็หมายความว่าจริงต่อวาจานะจริงต่อวาจาคือไม่กล่าววาจาให้ผิดจากความเป็นจริงให้ผิดจากความเป็นจริงหรือให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประการที่สองจริงโดยสมมุติก็คือให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งสมมุตินะเป็นสิ่งสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลจริงๆรนะให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งสมมุติอว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เรามาเรียกกันว่าชื่อในกอในขออ่านั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นเก้าอี้นั่นเป็นเสื้อเป็นหมอนเป็นที่หลับที่นอนอ่านั่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาเป็นสามีนี่เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นนะ ประการที่สามจริงตามสภาวะอคําว่าจริงตามสภาวะก็คือว่าสภาพจริงตามสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาจริงๆก็คือหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนอย่างนี้เรียกว่าจริงตามสภาวะแห่งความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆ ประการที่สี่จริงโดยประมาจิก็คือมิใช่ตัวตน ส, สัตว์บุคคลเราเขาจริงๆนะอ่ามันคู่กันว่าที่ว่าจริงโดยสมมุติก็คือสมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็ น, น, นคนนั้นคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะแต่โดยจริงๆแล้วในข้อที่ว่าจริงโดยประมาจิก็คือว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราขเราขเาจริงๆนะเพียงสมมุติเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีนะไม่มีเอ่า เพราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ที่เราสมมุติกันมาก็เพื่อให้เรียกขานวันใช้กันได้สะดวกนะไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้นะประการที่ห้าก็คือจริงอย่างอริยสัจก็คือทุกขะสมุทัยนิโรธมักจริงจริงก็หมายความว่าจริงอริยสัจก็คือว่าความจริงอันประเสริฐสี่อย่างคือทุกมีจริงเหตุให้เกิดทุกมีจริงความดับทุกมีจริงหนทางให้ถึงความดับทุกมีจริง ทั้งสี่อย่างนี่แหละเรียกว่าเป็นจริงอย่างอริยสัจประการที่หกจริงจริงอย่างนิพพานก็คือพระนิพพานนั้นสามารถดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกได้จริงๆรนะเพราะคําว่านิพพานก็แปลว่าดับอยู่แล้วนะหมดกิเลสหมดตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกจริงจริงแต่ว่าแต่ว่าสัจจะในอธิฐานธรรมนี้ท่านประสงค์ว่าให้เราทําอะไรนั่นทําจริงๆรินะ จะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามอจัดว่าเป็นความจริงทางนั้นจะเป็นจริงต่อหน้าที่การงานหรือว่าจริงต่อเวลาหรือว่าจริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงทางนั้นจริงต่อความดีออันนี้ก็ถือว่าเป็นการความจริงทางนั้นเลยฉะนั้นขอให้ให้เราทุกคนจงมีความจริงใจว่าประพฤติอย่างไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นตั้งใจทําอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะลําบากจะยากสักเพียงไร ก็ขอให้ตั้งใจทำจริงๆให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่ามีสัจจะความจริงใจราการที่สามก็คือว่าจะคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจะอะไรที่ว่าเป็นสิ่งสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจอันนี้ถ้าจะกล่าวในทางโลกก็ได้แก่ความอุปสรรคความขัดข้องซึ่งก็ จัดมาเป็นเหตุขัดข้องหรือว่าขัดขวางแก่ความที่เราจะประกอบคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นะถือว่ามาขัดขวางทางเราเป็นอุปสรรคคนเราเช่นความเกลียดคร้านนี่นะหรือความเจ็บป่วยไข้เหล่านี้เป็นต้นถือว่าเป็นข้าสึกแก่ความจริงใจคนเราถ้าเกลียดครา้านแล้วจะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สําเร็จ หรือว่าบางคนก็มีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากจะเรียนจะศึกษาอะไรจะทำการงานอะไรก็ไม่สำเร็จอันนี้แหละจึงถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่งนะเป็นมารสำหรับในการประกอบคุณงามความดีหรือประกอบความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ไม่ได้ประสบผลอันพึงตัถนาจึงเรียกว่าเป็นค่าสึกแก่ความจริงใจแต่ในทางทำก็ได้แก่กิเลสตัณหาเช่นมีความโลภความโกรธความหลงหรือ ถูกนิวรณ์ห้าครอบงำสิ่งเหล่านี้แล้วถือว่าเป็นค่าสึกแก่ความจริงใจเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เปรียบเหมือนกับสนิมสนิมมันเกิดขึ้นจากเหล็กแล้วมันก็กัดเหล็กให้ผุให้กร่อนไปชั้นใดให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นมันก็เกิดที่ใจเมื่อเกิดที่ใจแล้วก็สามารถที่จะกัดจิตใจของเราให้ผุให้กร่อนไปให้เสื่อมไปนะให้สิ้นไปกลายเป็นคนมีแต่ความไายนณะ หรือว่าจิตใจนั้นไม่มีสมรรถภาพในการที่จะประกอบคุณงามความดีตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะเรียกว่ากระทำในสิ่งที่ชาวโลกติชินนินทานะมีการจี้ป้นฆ่าปีป่ปนฆ่าลักมีการคอรัปชันนะหรือว่ามีการอากตัญญูเป็นคนหูเบามีมานะทิติเหล่านี้แหละมาด้วยอํานาจของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้น หรือว่าถูกในวรนห้าครอบงําก็คือมีความพอใจในกางในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือว่ามีความคิดอาฆาตพยาบาทมีความง่วงเหงาเหานอนมีความฟุ้งซ่านลำคันใจมีความลังเลสงสยัยอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเป็นค่าศึกอ่าเป็นค่าศึกแก่จิตใจในการที่จะประพฤติทธรรมหรือเป็นสิ่งที่ถ่วงความเจริญในการที่เราจะเรียนจะศึกษาจะปฏิบัติธรรม อันนี้เราถือว่าเป็นค่าศึกแก่จิตใจในข้อสุดท้ายที่ว่าอุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกให้คำว่าสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกก็คือว่าให้เรานั้นรู้จักทาจิตใจให้เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิหรือให้มีใจตั้งมั่นถ้าหากว่าใจเราไม่ตั้งมั่นใจมันก็ไม่สงบ นใจไม่สงบเรียกว่าธรรมชาติของใจนั้นมันก็สงบในบางครั้งนบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็สงบถ้าสมัยใดจิตใจสงบสมัยนั้นเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเรียกว่าใจของเราก็ผ่องใสไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมัยใดอจิตใจของเราไม่สงบแล้วใจของเรามันก็ฟุ้งซ่ า, รานราคาญใจทําอะไรก็ทําให้มันผิดมันพลาดเป็นอุปสรรคไปหมดนะฉะนั้นเราต้อง สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบก็คือพยายามละความโลภละความโกรธละความหลงนะสามตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะถือว่าเป็นการสร้างภพสร้างชาติทําให้เราทุกคนต้องติดอยู่กับพราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีฉะนั้นเมื่อเราประสบกับสิ่งนี้แล้วเราต้องข่มใจไว้ไม่ให้วันไหวไปตามเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าในเมื่อตากระทบรูป หูกระทบเสียงจมูกกระทบกิ่นลิ้ น, นกระทบร่กายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดไงอรมณ์ต่างๆเราจะต้องมีสตินะมีสังวรมีความสำรวมระวังอย่าให้หลงไหลไปฝันออย่าให้เกิดอิทถารมและอนิธารมถห า, ากว่าเราพอใจมันก็เป็นอิทธารมเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาถ้าเราไม่พอใจมันก็เป็นอนิธารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหมดนี้ก็เกิดความโลภความโกรธความหลงทางนั้นเมื่อเราทํา ตามอำเภอใจตามอำนาจแห่งความพอใจหรือว่าทําไปตามอำนาจแห่งความไม่พอใจมันก็เป็นโมหนะนะมันก็เป็นโมหะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นข่าสึกแก่ความสงบทางนั้นฉะนั้นเราต้องพยายามตัดสิ่งเหล่านี้อ่าคมใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายฉะนั้นในธรรมทั้งสี่อย่างนี้ก็เนื่องถึงกันเมื่อเมื่อบุคคลมาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่า เราจะประกอบกิจาการอนใดนั้นจะต้องใช้ความสุ ข, ขุมใช้ความรอบครอบต้องพิจารณาว่าถ้าเราทำไปแล้วจะเกิดความชิบหายไหมเราทำไปแล้วจะเกิดความเสื่อมไหมถ้าหากว่าเราพิจารณาด้วยปัญญาเลยว่าทาไปแล้วเกิดความหายนะหรือว่าเกิดความเสื่อมเราก็ควรจะเลิกละไม่ควรระทานะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สิ่งที่ควรรู้อ่าทีนี้ถ้าเราพิจารณาในมุมกลับกันก็คือว่า ถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้เราทําอย่างนี้แล้วจะเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญเป็นบ่อเกิดแห่งความรุ่งเรืองอย่างนี้เราก็ควรจะทํำนะอย่างนี้เราควรจะทําอะไรที่มันเป็นบ่อเกิดแห่งความรุ่งเรืองก็เช่นว่าถ้าหากว่าเราขยันนะเราเป็นคนขยันแล้วก็รู้จักประหยัดแล้วก็คบเพื่อนที่ดีนะคบเพื่อนที่ดีแล้วก็ดําเนินชีวิตไม่ให้มันฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ันเฟื่องเฟืองนักอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่า เรานั้นรู้สิ่งที่ควรรู้รู้สิ่งที่ควรรู้หรือว่ารู้จักแก้ปัญหาของตัวเองเช่นว่าว่าปัญหานี่มันเป็นตัวทุกข์แล้วเราก็รู้ด้วยว่าไอ้อะไรมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหานี่อะไรมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เหตุของปัญหาเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดว่าปัญหานี้มันจะต้องหมดไปได้เมื่อมันเกิดได้มันก็จะต้องต้องหมดไปได้ เมื่อเรารู้ว่าปัญหานี้มันจะต้องหมดไปได้หายไปได้เราก็รู้วิธีทางที่ว่าทำอย่างไรจึงจะให้ปัญหานี้หมดไปนี่หาวิธีการที่จะให้ปัญหานี้หมดไปอย่างเช่นว่าเราเกลียดคร้านเมื่อเกลียดคร้านแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในครอบครัวนั้นไม่ค่อยบริบูรณ์อ่าที่มันเป็นอย่างนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปหมดนะทั้งครอบครัวฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาขยัน นะทุกคนขยันทํากิจการงานตามหน้าที่ขยันอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักประหยัดนะรู้จักประหยัดรู้จักจับจ่ายในใช้ในสิ่งที่ควรและไม่ควรแค่นั้นก็ยังไม่พอเรามีเงินแล้วจะต้องรู้จักคบเพื่อนบ้านที่ดีคบคนดีนะเมื่อเราครบคนดีแล้วก็ให้เรานั้นรู้จักว่าอะไรที่เราจะควรจับจ่ายไม่ควรจับจ่ายเหมือนอย่างกับที่สุนทรผู้ท่านบอกว่ามีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบัญจอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นค่าวทั้งให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งค่าวหวานนี่เรียกว่าต้องอะไรควรซื้อไม่ควรซื้อนี่ให้เป็นกิจจลักษณะอย่างนี้เลยจะได้ชื่อว่าอเราใช้ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้และก็ในบอกที่ว่าอความจริงใจสัจความจริงใจคือประพุทธสิ่งใดก็ให้ได้อย่างนั้นจริงๆ อันนี้ก็หมายความว่าให้เรานั้นตั้งสัจจะในใจเลยว่าเรามีหน้าที่อย่างไรนะหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ให้ถูกต้องจริงๆหน้าที่ของความเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาให้ให้จริงๆหน้าที่ของความเป็นสามีก็ทำหน้าที่ของความเป็นสามีให้จริงๆหน้าที่ของความเป็นลูกก็ทาหน้าที่ของความเป็นลูกให้จริงๆ หรือยิ่งไปกว่านั้นเรามีหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่า <c oughs> ก็ต้องทําหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าให้จริงๆนะอย่าให้หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายอันนั้นขาดตกบกพร่องนะและยิ่งไปกว่านั้นเราอยู่ในกระทรวงกรมกองอันใด <c oughs> มีหน้าที่อย่างไรในสายงานไหนเราก็ต้องทําหน้าที่อันนั้นให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องและให้สําเร็จอย่าให้ข้างคลางแล้วก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าเรารู้จักหน้าที่นะรู้จักหน้าที่ก็คือว่าตั้งกัญญาณจิตว่าเราจะต้องทําให้ได้จริงๆตามหน้าที่อย่างนั้นอ่าเมื่อเรากระทําอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรานั่นมีสัจจะคือความจริงใจประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้อย่างนั้นจริงๆมาในข้อที่สามว่าจะคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจสิ่งที่เป็นค่าสึกแกค่ ค, กแกความจริงใจก็พว ก, ว ค, วกความโลภความโกรธความหลงนะ คือค่าศึกของความจริงนั้นถ้าจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านนี่แหละถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการเสียสละอย่างมากหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความเห็นแก่ตัวหรือความตันหนีนี่ก็เป็นอุปสรรคต่อการเสียสละในการที่เราจะเสียสละบริจาควัตถุ ก, ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะเกิดความตันหนีทีเหนียวอย่างนี้ไม่ดีแน่ และประการสุดท้ายก็คืออุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกแก่ความสงบคําว่าสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าสึกแก่ความสงบก็ได้แก่สงบใจจากความโลภสงบใจจากความโกรธสงบใจจากความหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าให้เราสงบใจจากนิวร์ทั้งห้าเมื่อเราสงบใจจากนิวร์ทั้งห้าเราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่ความสบายเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเอาละในการที่ได้บรรยายอธิษฐานธรรม คือทำที่ควรตั้งไว้ในใจสี่ประการก็อพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาและทัานสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปต่อไปนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จสมประสงค์มีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น สองวิริยะเพียนมันประกอบในสิ่งนั้นสามจิตตะเอาใจฟักใยในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระสี่วิมังสมันตรีตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นอย่างนี้แหละชื่อว่าอิทธิบาทนะอิทธิบาทอันนี้โดยมากเราเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มักจะจำหลักธรรมในข้อนี้ได้ ถือว่าในการเรียนการศึกษาอะไรนั้นทุกคนจะต้องมีอิทธิบาทสินะต้องมีคุณคุณธรรมที่ทําให้สําเร็จสมประสงค์นะอิทธิบาทนี่ถ้าใครมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคนนั้นจะประกอบกิจการอันใดก็สําเร็จรุ่วงไปได้โดยดีทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจึงมีคําคลองบทหนึ่งไม่ว่าฉันทะวิริยะตั้งวิทยาการเออย จิตตะวิมังสาครบถ้วนอิทธิบาทสีตรากดแก่ใครนาสําเร็จทุกสิ่งล้วนทั่วหน้านับถือนี่เรียกว่าถ้าใครมีอิทธิบาททั้งสี่อยู่ในใจแล้วก็สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะสําเร็จทุกอย่างไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานใหญ่อย่างงานน้อยอะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จบริบูรณ์นะบริบูรณ์แล้วก็อาจจะชักนําบุคคลให้ ให้ถึงในสิ่งที่ตนคาดไม่ถึงในสิ่งที่ดีที่งามอันเหลือวิสัยก็ได้นะอันเหลือวิสัยก็ได้ฉะนั้นก็จะขยายให้กว้างออกไปนะว่าทำทั้งสี่ข้อนี้ถือว่าเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกันนะเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันยังในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าฉันทะนะฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นนะในสิ่งอะไรในสิ่งที่ ที่ตนมีตนเป็นนะในสิ่งที่ตนมีตนเป็นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ประกอบกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างจำจะต้องมีความพอใจนะจะต้องมีความพอใจถ้าหากว่าตนเองไม่พอใจนั้นก็จะกระทาไม่ได้ดีกระทำไม่ได้ ด, นะ ด, ดีเป็นต้นว่าเรามีหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ เราต้องพอใจในความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราไม่พอใจในความเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนที่สุดการการงานที่เราจะปฏิบัติในหน้าที่ของความเป็นพ่อก็จะบกพร่องการงานหรือหน้าที่ที่เราจะทำในความเป็นแม่ก็จะบกพร่องนะก็จะบกพร่องฉะนั้นอันนี้แหละจึงได้บอกว่าเราจะต้องต้องพอใจในความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องพอใจในความเป็นสามีเป็นภรรยานะ เมื่อพ่อแม่นั้นจะต้องมีหน้าที่ในการขยันทํากิจการงานหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงลูกช่วยกันพ่อก็อาจจะทํางานหนักไปบ้างออกไกลบ้างทํางานนอกบ้านมากน้อยส่วนแม่ก็ทํางานในบ้านมากน้อยดูแลกิจการงานในบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ ทีนี้เราก็ต้องพอใจในหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาอ่าสามีภรรยานั้นมีหน้าที่กันอย่างไรอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้วางหลักไว้แล้วนะได้วางหลักไว้แล้วว่าอย่างเช่นว่าต้องยกย่องนะต้องยกย่องว่าเป็นภรรยาต้องไม่ดูหมิน่นภรรยานต้องยกย่องแล้วก็ไม่ดูหมิ่นต้องไม่ประพฤตินอกใจภรรยาอนะต้องไม่ประพฤตินอกใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้นะให้ภรรยาว่า ไอ้หน้าที่ดูแลกิจการในบ้านเรือนนั้นมอบให้ในเรือนครัวนั้นมอบให้อให้ปรรยาเพราะงานอย่างนี้ผู้หญิงถนัดนะเรื่องการหุงหาอาหารทําสําหรับกับค้อนหรือว่าเรื่องทาความสะอาดกิจการในบ้านเรือน เ, อเก็บปัดกวาทุกสิ่งทุกอย่างนี้อันนี้เป็นงานละเอียดที่เป็นงานผู้หญิงเขาถนัดอส่วนแล้วก็มอบอมอบของฝันให้ใน ในโอกาสตามโอกาสตามสมัยก็คือว่าถึงวันเกิดก็อาจจะซื้อของให้กับภรรยาถึงวันปีใหม่ก็อาจจะซื้อของขวัญให้ภรรยาอันนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าเราพอใจในเรื่ที่ของความเป็นสามีอย่างนี้ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างนี้แน่นอนที่สุดจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวนะแล้วก็สามีปฏิบัติอย่างเดียวภรรยาไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้นะจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป นะต้องปฏิบัต ah ah oh ิควบคู่กันไปภรรยาก็ต้องขยันทํากิจการงานนะต้องขยันทํากิจการงานนี่แล้วก็ต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติสามีอต้องไม่ดูหมิ่นอีกเหมือนกันอไม่ดูหมิ่นสามีแล้วก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจนะแล้วขยันทํากิจการงานให้เรียบร้อย น, นี่ทําให้เรียบร้อยให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างนี้อ่าแน่นอนที่สุดไอ้ปัญหาระหว่างสามีภรรยาก็ไม่มี ยิ่งไปกว่านั้นภรรยานั้นจะต้องรู้จักสมเคราะห์คนข้างเคียงของสามีายาตของสามาีนี่ต่างคนต่างก็ช่วยกันเกื้อกูลญาติของกันและกันแน่นอนที่สุดทําอย่างนี้ได้ปัญหาแห่งความทะเลาะเบาแหว่งระหว่างสามีภรรยาจะไม่เกิดขึ้ น, นที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทั้งสองนั้นไม่ปรับจิตปรับใจปับเนื้อปรับตัวเข้าหากัน ทั้งสองไม่มีความพอใจในหน้าที่ของตนไม่มีความพอใจในสามีไม่มีความพอใจในภรรยาปัญหาก็เกิดชู้สาวขึ้นเกิดการชู้สาวขึ้นนี่ก็ผิดลูกผิดเมียกันขึ้นนี่อันนี้จึงจึงอยู่กันไม่ได้จึงอยู่กันไม่ได้อ ไ, ไ, ดไอท้ทีแรกก็บอกว่ามีใจตรงกันมีนิสัยตรงกันแต่ว่าพออยู่กันไปแล้วก็บอกว่าเราไม่ตรงกันนี่เป็นอย่างนั้นนี่เราไม่ตรงกัน ในจริงๆแล้วก็มันจะตรงกันหมดเลยไม่ได้ถ้าตรงกันหมดเลยก็รู้สึกว่าคู่สามีภรรยานั้นจะอยู่กันไม่ยังย่งยืนเช่นว่าภรรยาเป็นคนโมโหโทโสง่ายสามีก็บอกว่าผมมีนิสัยตรงกับภรรยาก็คือมีนิสัยโทโสโมโหง่ายอีกเหมือนกันอย่างนี้มันก็พังลูกเดียวพังลูกเดียวจะ ต, ต้องที่จริงแล้วต้องบอกว่าบางอย่างนั้นก็เข้ากันได้บางอย่างเข้าไม่ได้ นะมันจะเหมือนกันหมดไม่ได้หรอกนี่ดังนั้นเราต้องต้องบอกว่าต้องพอใจนะต้องพอใจในความเป็นลูกต้องพอใจในความเป็นพี่เป็นน้องนะต้องพอใจในความเป็นครูอาจารย์เป็นครูอาจารย์ถ้าหากไม่ไม่รักในการเรียนการสอนไม่รักในการค้นคว้าไม่รักเด็กอย่างนี้เป็นครูที่ดีไม่ได้นะเป็นครูที่ดีไม่ได้หรือไม่พอใจในความเป็นนักเรียนไม่อยากจะเรียนนะ เมื่อมาอยากเรียนก็ไม่ทำหน้าที่ของความเป็นนักเรียนมันก็เป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้นะอา้าวทีนี้ถ้าเรามามองดูว่าถ้าเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่เป็นกำนัน เ, เป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราไม่พอใจในหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่ไม่เอาใจใส่ดูแลในหมู่บ้านของตนดูความทุกข์สุขของประชาชน แน่นอนที่สุดหน้าที่ของปางเป็นผู้ใหญ่ก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะความทุกข์ความเดือดร้อนก็คือทําหน้าที่ให้บกครองประชาชนจะเป็นอย่างไรไม่สนใจนะหรือกำนันก็เหมือนกันปกครองกว้างขวางออกไปกว่าผู้ใหญ่อีกหน่อยนะปกครองกว้างขวางออกไปก็ต้องดูแลมากขึ้นต้องดูแลให้ทั่วถึงว่าในหมู่บ้านของตัวเองในตำบลของตัวเองนั้นเป็นไงมีการเล่นอบายามุกกันมากไหมมีการเล่นการกำนันกันมีการรัก อวัวลักไควลักเป็ดลักไก่หรือว่าการจี้ปล้นฆ่ากันมากไหมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอนี่ฉะนั้นเราจะต้องทําหน้าที่ของความเป็นกำนังให้ถูกต้องส่วนนายอำเภอก็มีหน้าที่กว้างออกไปอีกนะคุมทั้งอํำเภอนะอันนี้ก็ในผู้ว่าการจังหวัดก็คุมทั้งจังหวัดกว้างออกไปจนกระทั่งมาถึงกระทรวงจนกระทั่งมาถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องพอใจในหน้าที่ของตนเมื่อตนเองพอใจในหน้าที่ของตนแล้วแน่นอนที่สุด ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นโดยกันทั้งสองฝ่ายหรือมีก็น้อยเต็มทีนะเป็นธรรมดาทุกอย่างต้องมีแต่ว่าให้มันมีให้มันน้อยขึ้นน ะ, ะให้มันน้อยลงนะมีให้มันน้อยลงนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพอใจในในหน้าที่ที่ตนมีตนเป็นก็แน่นอนที่สุดตัวเอง น, นจะประพฤติได้ดีหรือว่าเราเป็นผู้หญิงก็ต้องพอใจในความเป็นผู้หญิงนะถ้าเราไม่พอใจในความเป็นผู้หญิง จะไปทําตัวเป็นผู้ชายมันแน่นอนที่สุดก็ถูกตีชินนินทาอถูกตีชินนินทาอทําให้สังคมอเกิดดูหมิน่นดูแคลนขึ้นได้อไม่พอใจในความเป็นผู้ชายออยากจะทําตัวเป็นผู้หญิงบ้างอ่าเขาก็ว่าเป็นกระเทยอ่าเป็นกระเทยไปอ่าดูแล้วก็เป็นที่เย่ะเย้ยของคนทั่วไปเอไม่ดีอีกนั่นแหละหรือเรียกว่าเราเป็น สมณะเป็นประสงค์องค์เลนเราต้องพอใจในความเป็นสมณะเป็นประสงค์องค์เนถ้าเราไม่พอใจเราก็จะประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนประพฤติผิดธรรมวินัยก็เป็นที่เสื่อมศรัทธาเป็นที่จิถีนินทาของประชาชนทั่วไปนี่ฉะนั้นเราจะต้องพอใจพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เรามีเราเป็นอในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าอฉันทะฉันทะคือความพอใจแล้วการ และความพอใจนี่มันเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเป็นได้ทั้งดีและชั่วนะคือในทางดีก็คือพอใจในกิจการงานพอใจในการที่จะทําความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปทํากิเลสตัณหาเบาบางลงไปถ้าหากว่าไปในทางชั่วก็คือว่าการฉันทะพอใจในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสอะไรทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นไปในทางที่จะดึงจิตดึงใจของเราให้ตกต่ําไปนะอันนี้เรียกว่าพอใจในทางที่ไม่ดีไม่งาม ในทางหายณนะในทางเห็นความเสื่อมนี่เรียกว่าชันทักความปลดใจที่สองอิตะเอาใจฟักใยในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระน่ะเอาใจฟักใยในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระขอประทานโทษที่สองวิริยะเพียนมันประกอบสิ่งนั้นสิ่งไหนในสิ่งที่เราทาสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น ที่เราได้รับมอบหมายนั้นเราจะต้องมีความเพียรมีความพยายามเมื่อเราได้รับมอบหมายตามที่เราได้มีได้เป็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีความเพียรทําหน้าที่แล้วแน่นอนที่สุดหน้าที่นั้นก็จะต้องบกพร่องทันทีบกท่องทันทีเพราะว่าหน้าที่นั้นจะบริบูรณ์ได้เราจะต้องมีความเพียรมีความขยันนมีความเพียรมีความขยันทําในกิจการงานอันนั้น ทำในหน้าที่อันนั้นหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องขยันทํนะต้องกล้าทําไอ้ตัวความเพียรเนี่ยทาให้กล้านะทาให้กล้าฮนะกล้าอะไรกล้าประพฤติปฏิบัติโดยไม่หวาดหวั่นต่อความเหนื่อยยากไม่หวาดหวั่นต่อความลาบากอ่านะไม่ย่นย่อท้อถอยต่ออุปสรรคนี่เราจะต้องกล้าถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วไม่ ไม่ขยันทําหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่มัวแต่กลัวจะเหน็ดเหนื่อยนะกลัวจะร้อนนะกลัวจะหนาวอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าเรานั้นบกพร่องในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเหมือนกันไม่ขยันทําในหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาแน่นอนที่สุดก็อยู่กันไม่ยืนยาวนะอยู่กันไม่ยืดยาวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องขยันพระพุทธองค์บอกว่า อุทษาตาวินเตเตธนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นี่พูดง่ายๆถ้าขยันแล้วรวย น, นี่พูดพูดเพียงข้อเดียวว่าคนเราถ้าขยันแล้วรวยอแต่ที่คนเราไม่รวยทุกวันนี้เพราะไม่ขยันไม่ขยันทําตามหน้าที่ไม่ขยันทํากิจการงานคนเราเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือหน้าที่โดยธรรมชาติที่เรามีอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูก ถ้าเราขยันนำหน้าที่โดยไม่บกพร่องแล้วแน่นอนที่สุดเรารับการอยู่ในกรมกองไหนเงินดาวเงินเดือนก็ขึ้นนะยศตำแหน่งก็ขึ้นเนี่ยเพราะเราขยันในหน้าที่แต่ที่เราอยศไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นเพราะเราไม่ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็ทำไม่ทำงานที่ตนได้รับมอบหมายนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีทำแล้วก็ค้างค้างแน่นอนที่สุด อย่างนี้ก็มีแต่ทุกข์อย่างนี้ก็มีแต่โทษอย่างนี้ก็มีแต่ความเสื่อมอย่างเดียวนะมีแต่ความเสื่อมอย่างเดียวฉะนั้นเราจะต้องขยันก็ยังกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในทิฏฐธรรมมิตัธถรมคือหมายถึงว่าประโยชน์ที่จะพึงเห็นในปัจจุบันหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจเศรษฐีในข้อแรกก็คือขยันอุตฐานะเนี่ยอุตฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหรือถึงพร้อมด้วยความลุกขึ้น นะลุกขึ้นคนที่ขยันนะ่ะแน่นอนที่สุดย่อมจะไม่เดือดร้อนนะย่อมจะไม่เดือดร้อนขอให้เราได้ศึกษาบรรดาพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างๆที่รวยโดยชอบนะั้น่ะโดยมากเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งนะด้วยความมานะอดทนนี่โดยที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะไม่ย่นย่อท้อถอยต่ออุปสรรคน า, นานาประการ บางคนทําไปแล้วก็ผิดหวังนะผิดพลาดมีปรสักนานๆนับประการแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาก็มีความเพียรต่อไปอีกอมีความเพียรต่อไปอีกอย่างนี้ก็สำเร็จสําเร็จได้หรือว่าเราเพียรในทางธรรมเช่นว่าท่านเบสท่านสาธุชนทั้งหลายที่สนใจในธรรมก็ดีพระสงฆ์องค์เลนก็ดีจะต้องมีความเพียรในทางธรรมก็คือว่าขยันบําเพ็ญเพียรก็อยู่ในประธานความเพียรสี่อย่าง หนึ่งสังวรประทานเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจนะเพียรระวังอย่าให้ความชั่วอความเศร้าหมองมาเกิดขึ้นในจิตใจต้องระวังไอ้ตัวมีสติตัวสังวรตัวนี้เนี่ยหอยปิดกั้นไว้ออย่าให้ความโลภความโกรธความความหลงมันเกิดขึ้นในจิตใจอย่าให้นิวรห้ามาครอบงำครอบงำจิตใจเมื่อเราเมื่อมันครอบงำจิตใจของเราไม่ได้แน่นอนที่สุด ก็จะทำให้เรานั้นสบายใจนะสุขใจประการที่สองก็คือประหานประธานเพียรละบาปละอกุศลที่มันเกิดขึ้นฝังขึ้นอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนั้นให้หมดไปให้เบาบางออกไปเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนมีความโลภเป็นคนมีความโกรธเป็นคนมีความหลงเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนมีความเกลียดคา้านเรารู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีความอาฆาตพยาบาท เรารู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีความาลุ่มหลงเป็นคนมีจิตใจฟุ้งซ่านเป็นคนมีความลังเลสงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้อันนี้แหละเราต้องพยายามเพี้และมันออกไปนะเอาออกไปอย่าเอามาไว้ในใจนะถ้าเราเพียงอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะมีแต่ความสุขความสวัสดีนะและประการที่สามก็คือภาวนาประฐานภาวนาประฐานก็คือว่าเพียนสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพียนให้ทานเพียนรักษาศีลเพียนเจริญภาวนาเพียรทำสมาธิเพียนเจริญสมถะเพียนเจริญวิปัสสนานี่ถ้าเราเพียนอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะได้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือว่าเราขยันมันเรียนเช่นว่าเราบวชเป็นพระเป็นเนนใหม่ๆก็ขยันท่องตำรับตำราท่องสวดมนต์ต่างๆนขยันเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอก แน่นอนที่สุวนคนขยันสอบได้ปีละขั้นละขั้นสอบได้จนก็ตั้งวา ร, รีนหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าขยันจริงๆสอบได้ฉะนั้นคนที่เขาเรียนโดยไม่ตกเลยก็มีนี่แสดงว่าเขาขยันจริงๆนะเขาก็ขยันจริงๆใช่คนขยันนั้นก็อาจจะมีตกบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าเข้าใจผิดอะไรผิดไปได้แต่ว่ามีโอกาสน้อยตกน้อยกว่าคนเกียรติ้านะตกน้อยกว่าคนเกียคร้าคฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนขยันเถอะ ยังญาติโยมเหมือนกันแต่สวดมนต์ไหว้พระก็ขอขยันทําทุกวี่ทุกวันนะอย่ากเกียจคร้านทําให้มันสม่มําเสมอความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นแล้วขยันทําตามหน้าที่ที่ตนมีตนเป็นแน่นอนที่สุดก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอ่าทีนี้ประการที่สี่ก็คืออนุรักษนาประทานก็คือเพียรรักษาบุญกุศลที่มันมีอยู่แล้วในใจิตใจอย่าให้มันหมดไปอ่าอะไรเป็น บุญกุศลที่อยู่ในจิตใจคือใจของเราที่เป็นคนชอบเสียสละที่เป็นคนอบเอื้ออารีก็พยายามรักษาไว้ อ, อย่าให้เป็นคนตะหนีทีเหนียวอย่าให้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะเราเป็นคนมีเมตตาก็รักษาไว้ให้มีเมตตาก็คคนทั่วไปนะเรียกว่าพยายามให้มันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะอย่าให้ความอาฆาตพยาบาทนั้นมาทำลายให้หมดไปนะอันนี้มันก็ไม่ดีเราต้องรักษาไว้อา้าว เราเป็นคนมีปัญญาอ่าเฉียบแหลมนะคิดอะไรก็รู้สึกว่าทะลุโครรงเข้าใจดีก็พยายามเพียรรักษาอ่ารักษาไว้อย่าให้เหตุอะไรมาทําให้เรานนั้นต้องเกิดความเสื่อมก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอย่าไปติดอบาัยามุกอบาัยามุกนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราเสื่อมสติ ป, ปัญญาหรือว่าเดิ่มของดองของเมาต่างๆนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เรานนั้ต้องเสื่อมปัญญาก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดยกว้างๆก็คือไม่ประมาท ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือคนที่ขาดสติคนที่ไม่รอบคอบทาอะไรก็ผิดพลาดาประมาทพลาดพลัง้งมีแต่ความหายนะคนที่สุดก็อาจจะตัวตายก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทอย่างนี้แหละก็จะทำให้เรานั้นมีสติปัญญาคือไม่หลงนั่นเองนี่อย่างนี้เรียกว่าเพียนรักษาไว้พยายามไว น, นี่เรียกว่าอยู่ในข้อที่สองว่าวิริยะคือเพียนมันประกอบสิ่งนั้นๆด้วยความ พอใจนะด้วยความพอใจประการที่สามจิตตะเอาใจฟักไฝในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระนะเอาใจฟักไฝในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระอันนี้ก็หมายความว่าที่เรามีหน้าที่อะไรนะเรามีงานอัะไรเราจะต้องเอาจิตไปจอกอกับสิ่งนั้นนะเอาใจฟักใยในสิ่งนั้นอคือสนใจในสิ่งนั้นนะ คือถ้าเราสนใจแน่นอนที่สุดเราก็จะคอยนึกอยากจะทําอยู่เรื่อยนะสนใจอยู่เรื่อยหาวิธีแก้อ่านะหาวิหาวิธีกันทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรมันจะดีอะไรมันจะชั่วเนี่ยเพราะเราเอาใจฟักไปนะติดต่อกันเรียกว่ามีความเพียรติดต่อไปเรื่อยนะอย่างนี้เรียกว่าเรามีจิตตะนะเอาใจใส่โดยไม่หวางทุระบางคนก็เอาใจใส่เหมือนกัน แต่ว่าใส่ไม่นานพอมีอุปสรรคเขาก็วางธุระทอดธุระเสียนะอันนี้มีเยอะขอให้เราสังเกตดูเราเป็นพ่อเป็นแม่ปรากฏว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เกิดเบื่อหน่ายลูกเต่าขึ้นมานะเบื่อหน่ายก็เลยทอดทิ้งความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่สนใจลูกแน่นอนที่สุดลูกก็ต้องไปคนละทิศทางเข้าตาราที่บอกว่าขาดพ่อก็เหมือนทอหัก ขาดแม่ก็เหมือนแผพแตกนี่ฉะนั้นถ้าขาดโดยทอดทิ้งธุระแน่นอนที่สุดลูกก็จะกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอาจจะได้ดีบ้างชั่วบ้างนะแต่มันไม่อบอุ่นใจเหมือนกับพ่อแม่ที่ไม่ทอดทิ้งธุระถ้าเป็นสามีภรรยากันทอดทิ้งธุระทอดทิ้งหน้าที่นะไม่เอาใจฟักใฝ่ต่อกันนะไม่สนใจต่อกันไม่เกื้อกูลต่อกันไม่เสียจะละต่อกัน แน่นอนที่สุดนะความเป็นสามีภรรยาก็จะบกพร่องก็จะเกิดปัญหาแห่งการทะเลาะเบาแวง่งผลที่สุดก็อาจจะแยกกันอยู่อยู่กันไม่ได้ก็เป็นที่สิชินนินทาของคนทั่วไปนะหรือว่าเราเรามีหน้าที่เป็นอะไรเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนก็ต้องขยันเรียนนะต้องขยันเรียนโดยไม่ทอดทุระ การเรียนนั้นไม่ได้เรียนวิชาเดียวอาจจะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์อเหรือว่าสังคมศิลปธรรมอะไร ท, ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องมันขยันดนะูขยันดูโดยติดต่อกันไปนะขยันดูเอาใจฟักฝ่ายอยู่ตลอดเวลาแน่นอนที่สุดจะทําให้เรานั้นทะลุโปร่งในวิชานั้นนั้นเข้าใจในวิชานั้นนั้นนะแต่คนที่ไม่ขยันก็เกิดความเบื่อหน่าย เกิดทอธุระวิชานี้เรียนไม่ค่อยดูเรื่องก็เลยทิ้งเลยยิ่งเราไม่รู้เราต้องเรียนให้มากนะเราต้องเรียนให้มากต้องดูให้มากพยายามทำความเข้าใจให้มากไม่รู้ก็ไปถามท่านผู้รู้นี่อย่างนี้แหละแสดงว่าเราเอาจิตใจฟั ก, ฟกไฟเอาจิตใจจดจอ่อกับหน้าที่การงานอย่างนั้นนะอ้าวเราเป็นครูเราเป็นครูเ ร, เ, ครเราก็เกิดถ้าเป็นครูที่ดีก็เอาจิตฟักไฟในความเป็นครูครูที่ดีนั้นจะต้อง ขยันค้นคว้าตำรับตำราทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าครูครูอย่างนี้จะทําให้ตัวเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่ด้วยหาทางก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วครูที่ดีนั้นจะต้องรู้จักวิธีการสอนรู้จักความมุ่งหมายของตำรับตำราว่าที่เขาวางไว้อย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นครูที่ดีและครูที่ดีนั้นจะต้องมีหลักจิตวิทยาในการสอนนะต้องมีหลักจิตวิทยา น้มน้าวจิตใจของบรรดาศิษย์นักเรียนนักศึกษาให้เกิดความอุตสาหะเกิดความพยายามและเกิดความเข้าใจต้องรู้จักวิธีปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีลูกเล่าลูกชนที่ดีว่างั้นเถอะเป็นครูคือต้องถือว่าครูนั้นเป็นนักแสดงจะต้องเอาใจฟักใยในวิชาการของตนในวิชาการของตนถ้าครูไม่เอาใจฟักใยในวิชาการของตนแน่นอนที่สุดจะเป็นครูอาจารย์ที่ดีไม่ได้เป็นครูที่ดีไม่ได้ นะหรือว่าเราจะมีหน้าที่เป็นอะไรอยู่กระทรวงกรมกองไหนเราต้องเอาใจฟักใฝ่ในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายอันนั้นพยายามทำให้ติดต่อกันไปนะทาติดต่อกันไปนะมเมื่อเรามีความเพียรแล้วก็อย่าไปหยุดสินะเพียรต่อไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมอถ้าหากว่ามันไปสะดุดมีอุปสรรคเสียเราก็ต้องอดทนก็ถือว่าไอ้อุปสรรคมันเป็นธรรมดาของคนทางาน คนทํางานมันจะต้องมีอุปสรรคคนที่ไม่มีอุปสรรคก็คือคนที่ไม่ทํางานนะคนที่ไม่ทํางานดันั้นเราก็ต้องรู้จักคมใจนะต้องรู้จักคมใจต้องมีความอดทนปดกลั้นอดออมนะอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะทําให้ให้กิที่ทําคําที่พูดของเรานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ดยดียิ่งเราเป็นพระสงฆ์องค์เลนนะเป็นพระสงฆ์องค์เลนเราก็ต้องเอาใจฝักฝ่ายในศีลในธรรม ในหน้าที่ของตนทั้งสององค์เลนนั้นต้องทําหน้าที่สองอย่างก็คือว่าในทางคัน ธ, ธุระและวิปัสนาธุระนะคัน ธ, ธุระก็คือการศึกษาเล่าเรียนถ้าทำวิไหนให้รู้ดีรู้ชอบนะนี่เราต้องขยันถ้าเราไม่ขยันแน่นอนที่สุดเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็อาจจะประพฤติผิดพลาดบกพร่องเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นที่เสื่อมจัตตาภาษาธ่ความเชื่อความเลื่อมใสของ ท่านสาธาชนผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้มาสมาคมกับเราได้นะแต่ถ้าหากว่าเราเอาใจฟักใฝ่ในสิ่งที่เราเรียนเราศึกษาแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นมีความเฉลียวฉลาดนะรู้ดีรู้ชอบนะอะไรไม่ดีเราก็ไม่กระทําสิ่งใดที่ดีเราก็กระทําไปนี่อย่างนี้เราเรียกว่าเราเอาใจฟักใฝ่อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ทอดทิ้งทุระและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องเอาใจ บําเพ็ญเพียรในทางจิตคือในด้านปฏิบัติก็คือตัววิปัสสนาอันนี้เรียนเรื่องในตัวนะเรียนเรื่องในตัวก็คือพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธินะให้เป็นสมาธิปลอดจากนิวรณ์ทั้งห้าก็คือนิวรณ์ทั้งห้าก็คือกามฉันทะความพอใจในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอายาบาตความคิดอาฆาตมาดร้ายนะอันนี้เราต้องพยายามเอาออกไปหรือว่า สีนมิทธะความม่วงเหงาเหานอนอุทธะกกูจะความพุ่งสร้างลำคัญใจอวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนี่เราต้องเพียนเพียนทําลายให้หมดไปเอาใจฟักไฟทําลายให้หมดไปนี่เราพยายามเอาทุระในสองอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดจะทําให้เรานั้นมีนสติปัญญ า, าเฉลียวฉลาดและยิ่งไปกว่านั้นก็จะเป็นที่เรื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป และก็จะทําจิตใจของเราให้ผ่องสใยให้เบิกบานเพราะเราเอาจิตใจฟักใยในหน้าที่ของเราให้ร่วงไปได้ ด, ด้วยดีในกิจที่ทำคำที่พูดก็จะสําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเราเอาใจฟักใยในหน้าที่อของตนของตนหรือว่าเป็นท่านสาธุชนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องเอาใจฟักใยอย่างน้อยน้อยก็ขยันสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอหรือว่าตื่นนอนก็ขยันสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ วันละสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีแล้วก็มีโอกาสก็พยายามให้ทานรักษาศีลนเจริญภาวนาอันนี้ก็ยังดีงนั้นเอาใจพัก่ายไว้อันนี้มันก็ได้นคนที่เอาใจพัก่ายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแน่นอนที่สุดเมื่อเวลาใกล้จ ะ, ะดับขันแตกตายทำลายขันไปไจิตใจที่มันนึกถึงบนทานการกุศลก็ย่อมจะเข้ามาจดจ่ออยู่กับเราเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเรา ก็จะทําให้เรานั้นไปสู่ในทางสุคตินีไปในทางที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาใจพักใยในบุญทานการกุศลใจเราก็เหินห่างเมื่อใจเหินห่างพอจิตเวลาก็้จะสายก็ทุรนทุรายพท่ำเพอน่ะละเมอเพอพบต่างๆนานาแน่นอนที่สุดจิตที่คิดอย่างนี้ก็ย่อมไปทุคตินะทุคติก็คือไปอบายภูมินั่นเองและประการสุดท้ายก็คือวิมังสานะมันติตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นนั้น ไอ้คำว่าสิ่งนั้น น, นคือสิ่งไหนในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือต้องใช้ปัญญาอันนี้สําคัญมากคือใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราดูว่าไอ้สิ่งที่เราทํานั้นมันจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไหมมันจะเสื่อมไหมมันจะผิดพลาดไหมถ้าหากว่ามันจะผิดพลาดเราก็หยุดยับั้งปรับปรุงแก้ไขเสถียรนี่แหละเรียกว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาอนโดยท่องแท้ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งนั้นๆ ฉะนั้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นอิทธิบาทสี่ประการก็คือฉันทะความพอใจอรักใคร่ในสิ่งนั้นเมื่อมีความพอใจแล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดความขยันก็คือวิริยะเพี้ยนมันประกอบสิ่งนั้นนั้นเมื่อเราเพียนแล้วก็ทําให้เรานั้นเอาใจฟักใยในสิ่งนั้นโดยไม่ทอดทิ้งธุระไม่วางธุระเมื่อเราไม่ทอดทิ้งธุระไม่วางธุระก็ทําให้เรามีสติปัญญาพิจารณาติรองในเหตุผลในกิจการในกิจที่ทําคําที่พูดของเรานั้น ให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมประสงค์ตามมุ่งมั่นพัฒนาทุกประการเอาละอาตมาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอิทธิบาทสี่ก็พอสมควรกับเวลาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอเจริญพร